ขอยกตัวอย่างทั้งที่ปรากฏในเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาทั้งที่เป็นเรื่องบอกเล่าสืบกันมาและที่ได้เห็นเองคือเรื่องที่หนึ่งยไหม้บ้านริมน้าแห่งหนึ่งคนในบ้านใกล้เคียงตกใจขนของกันเป็นการใหญ่มีเรือลำหนึ่งเทียบเข้าไปแล้วเจ้าของเรือก็ร้องตะโกนให้เขาขนของลงเรือพอเห็นว่าของเต็มเรือดีแล้ว เจ้าของเรือก็เจาเรือออกเป็นการโกงซึ่งซึ่งหน้าซึ่งผู้กำลังเดือดร้อนไม่รู้จะไปเรียกร้องเอากับใครได้อยู่มาผู้ที่โกงนั้นเกิดอาการเจ็บไข้ไม่สบายในถิ่นของตนอาการที่ปรากฏคือต้องการกินแต่น้าร้อนจัดๆยิ่งร้อนเท่าไหร่ยิ่งพอใจเท่านั้นในที่สุดไม่พอใจคนรินน้ำร้อนหาว่าเอาน้ำร้อนไม่จริงไปให้ จึงให้นำเตาถ่านและการน้ำไปต้มในที่ใกล้กับที่นอนเจ็บอยู่พอน้ำเดือดพล่านมีควันพุ่งออกมาเต็มที่แล้วก็ลุกขึ้นยกกาน้ำร้อนนั้นดื่มทั้งพ่วยกาพอดื่มเสร็จก็ร้องคล้ายกับว่าชื่นใจเสียละเกินแล้วก็ตายไปเรื่องนี้พระกุณเจ้าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์วัดเทพสิรินทราวาสเคยเล่ามีผู้ฟังรู้เห็นกันมาก เรื่องที่สองมีชายคนหนึ่งมีฝีมือดีในทางแทงหัวใจหมูคือเมื่อทุบหมูแล้วใช้มีดคมปลายแหลมแทงให้ตรงหัวใจหมูจะตายทันทีชายผู้นี้นามีดคู่มือไปด้วยในร้านจีนขายของใกล้ๆที่อยู่วันหนึ่งเกิดผิดใจกับคนอื่นคนที่ไม่พอใจจับจ้วงแทงถูกหัวใจล้มลงขาดใจตายในลักษณะดเดียวกับหมูที่ตนฆ่านั้น เรื่องนี้มีสิทธิ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนหนึ่งที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเล่าให้ฟังเรื่องที่สามมีชายคนหนึ่งชอบเล่นสนุกชอบเห็นเหตุการณ์แปลกๆจึงจับแมวตัวหนึ่งพร้อมทั้งเรียกสุนักให้ติดตามไปด้วยต้องการให้สุนักกัดแมว แต่ถ้านําไปในที่มีต้นไม้หรืออาคารบ้านเรือนแมวก็จะหนีได้จึงอุ้มแมวไปในที่โลง่งซึ่งกะว่าแมวจะไม่มีที่กําบังหรือปีนไปสุนักก็ตามเห่าไปด้วยข้างแมวก็กลัวขนพองแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรพอไปถึงที่โลง่งเขาก็ทุ่มแมวลงไปที่สุนัขทันทีเพื่อจะได้ดูเหตุการณ์ที่สนุกตื่นเต้นที่สุดแต่ผลกลับปรากฏว่าแมวนั้น ได้วิ่งปราดมาที่ตัวชายผู้นั้นตะ ก, กายพรวดเดียวขึ้นไปอยู่ที่คอหน้าตาแขนขาของชายผู้นั้นถูกเล็บแมวตะกุยเลือดส้มไปหมดเรื่องนี้ท่านมหาผิววัดเทพศรินทราวาดซึ่งได้ย้ายไปอยู่วัดเศนาสนารามในภายหลังเป็นผู้เล่า ว, ว่าเป็นเรื่องจริงและเหตุผลก็น่าเชื่อว่าเป็นจริงเรื่องที่สี่ ดนผู้หนึ่งมีอาชีพในทางเชือดไก่ขายเวลาเช้าจะนำไก่ที่ฆ่าแล้วใส่ถังสังกสีสำหรับตักน้ำเอาไมคานใส่เข้าไประหว่างหูหิวของถังผ่านวัดไปตลาดเสมอตอนบ่ายขายไก่ได้แล้วก็กินเหล้าเดินกลับนานๆก็เชือดคอตนเองครั้งหนึ่งจนคอมีรอยแผลเป็นผู้เขียนเป็นเด็กเรียนหนังสืออยู่ในวัดต่างจังหวัดได้เห็นและรู้จักเอง แกชื่อกังหรใครเรียกแกว่าเจ๊กกังครั้งหลังสุดดูเหมือนแกเชือดคอตนเองจนตายเรื่องที่ห้ามีเจิงคนหนึ่งที่ตลาดพลูธนบุรีมีอาชีพฆ่าหมูคราวหนึ่งไม่สบายส่งเสียงร้องเหมือนหมูร้องเรียกเมียซึ่งแต่งงานด้วยกันไม่ถึงเดือน ให้เอามีดหมูและอ่างที่ใช้รองเลือดมาให้พอได้ของเหล่านี้มาพร้อมก็ขาดใจตายท่านผู้เป็นที่เคารพของผู้เขียนเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองเพราะได้ไปยืนดูอยู่ด้วยเรื่องที่หกในครั้งพุทธกาลมีชายคนหนึ่งชื่อจุนทาเป็นคนฆ่าหมูขาย เวลาไม่สบายคลานสี่ท้าเหมือนหมูส่งเสียงร้องเหมือนหมูทรมานอยู่หลายวันจึงตายมีเรื่องปรากฏในอัธกถาธรรมบทเรื่องที่เจ็มีชายคนหนึ่งชื่ออิ่มเล่นขนเก่งแสดงเป็นตัวพระรามมีชื่อเสียงจนคนเรียกชื่อว่าอิ่มพระรามเป็นคนชอบชนไกลมาก เวลาจะตายเอามือจนกันร้องโปกพ่อโปกพ่อจนมือเน่าแล้วในที่สุดก็ตายไปเหตุเกิดที่ตลาดโรงหมูอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งท่านผู้เป็นที่เคารพของผู้เขียนได้เห็นเหตุการณ์มาเองเรื่องที่แปดท่านผู้ชอบพ่อกันคนหนึ่ง ลอให้ผู้เขียนฟังถึงเหตุการณ์ในชีวิตของท่านว่าท่านเคยนึกสนุกเอาไม่ขีดจุดเผามุดแดงเล่นทันใดนั่นเองไฟที่ไม่ขีดได้ตกลงไปที่ขาพับของท่านไม่เป็นแผลเป็นผลทันตาเรื่องที่เก้าในครั้งพุทธกาลมีเรื่องเล่าถึงภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งเป็นผู้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเครื่องใช้หรือบริขารจะเป็นผ่านุ่งห่มเกิดขึ้นท่านมักแบ่งปันให้เพื่อนพระด้วยกันด้วยการที่เป็นผู้มีความปรารถนาดีไม่สะสมบำเพ็ญสารณียธรรมอย่างนี้เสมอมาท่านก็กลายเป็นผู้มีโชคดีอย่างประหลาดเสมอมีพระหลายรูปไปบิณฑบาตไม่ได้เลยในบางแห่งแต่พอท่านไปมีคนใส่บาตรเต็มนามาเลี้ยงพระที่ไม่ได้อะไร คราวหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินมีประสงค์จะถวายผ้าแก่พระทั้งวัดพระเอิญมีผ้าเนื้อดีอยู่สองผืนนอกนั้นเป็นผ้าเนื้อธรรมดาท่านก็พูดไว้ล่วงหน้าว่าผ้าเนื้อดีทั้งสองผืนนั่นละ่ะจะต้องตกมาถึงท่านอมรได้ยินก็นำเรื่องไปกระสิบบอกพระราชาพระราชาเป็นผู้ถวายผ้าเองก็สังเกตดูผ้าที่วางซ้อนๆกันไว้นั้นพอมาถึงลาดับภิกษุหนุ่มรูปนั้น ก็เป็นผ้าเนื้อดีทั้งสองผื้นพอดีทั้งอมมาศและพระราชาต่างมองหน้ากันเมื่อทำพิธีถวายผ้าเสร็จแล้วพระราชาจึงเข้าไปหาภิกษุหนุ่มรูปนั้นเข้าใจว่าคงเป็นพระอาหารหันต์มีญาณวิเศษจึงถามว่าท่านได้บรรลุโลกกตระธรรมตั้งแต่เมื่อไหร่ภิกษุหนุ่มรูปนั้นถวายพระพรว่าปล่าเลยท่านม่ได้บรรลุโล ก, กุตระธร ร, รมหรือธรรมวิเศษอะไรเลย พระราชาจึงตรัสถามว่าถ้าอย่างนั้นท่านรู้ได้อย่างไรว่าท่านจะได้พาเนื้อดีภิกษุหนุ่มถวายพระพรว่าท่านเป็นผู้บำเพ็ญสารณียธรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เนืองนิดตั้งแต่เริ่มบำเพ็ญมาก็ได้ผลอย่างประหลาดเสมออะไรที่ดีที่สุดจะต้องตกมาถึงมือท่านพระราชาก็ทรงชื่นชมอนุโมทนาและตรัชมเชยพิกษุหนุ่มรูปนั้นแล้วหลีกไป เรื่องนี้ปรากฏในอัธกถาสารนิยธรรมสูตรเรื่องที่สิบผู้ชอพอกับผู้เขียนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อส5บห้าี่สิปีมาแล้วมีจีนคนหนึ่งเป็นผู้มีอาชีพต้มหอยมแมลงผู้ใช้กระทะใบบัวขนาดใหญ่เป็นเครื่องต้มเทหอยลงไปแล้วก็ตักขึ้น ทำดังนี้เสมอมาวันหนึ่งเมื่อตักหอยขึ้นหมดแล้วแต่น้ำเดือดยังมีอยู่กว่าครึ่งกระทะไม่ทราบว่าจะล้างกระทะหรืออย่างไรจีนผู้นั้นก็กลับตกลงไปในกระทะนั่นเองดินพรวดพราดมีผู้ช่วยเอาขึ้นมาได้นอนร้องหวยหววส่งเสียงดังชาวบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนกันตลอดคืนและในที่สุดก็ตาย เรื่องต่างๆที่นำมาเล่านี้พอเป็นตัวอย่างพิจารณาเหตุผลทางศิลธรรมอันเป็นเหตุผลขั้นที่สองจากเหตุผลธรรมดาท่านผู้อ่านจะเชื่อหรือไม่เป็นสิทธิของท่านที่จะพิจารณาเอาเองเพราะในทางพระพุทธศาสนาเราไม่นิยมให้เชื่ออะไรอย่างง่ายๆหรืองมงายเรื่องกฎแห่งกรรมนี้ยังมีเงื่อนง่ายพิสดารต่อไปอีก การกระทำบางอย่างเพียงเล็กน้อยทำไมผลที่ปรากฏจึงมากกว่าการกระทำหลายเท่าไม่ว่าความดีหรือความชั่วถ้าท่านลองเทียบเคียงดูก็จะเห็นได้ขโมยคนหนึ่งลักบุหรี่ซองเดียวแต่สารตัดสินจำคุกตั้งเดือนซึ่งไม่คุ้มกันเลยมะม่วงผลเดียวที่นำไปปลูกพอมีผลก็ให้ผลปีละหลายร้อยลูกบางปีถึงพันพนลูก ทมไมจึงเป็นเช่นนั้นจากตัวอย่างเหล่านี้บุคคลจึงไม่ควรดูหมิ่นคุณความดีแม้สักเล็กน้อยว่าไม่มีความหมายอะไรและโดยทำนองเดียวกันก็มีควรดูหมิ่นความชั่วว่าเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรแม่คิดการเดียวอาจจะเผาพลานหมู่บ้านทั้งหมู่ทำความพินาศให้ยิ่งกว่าที่จะคิดถึงฉะนั้นทางพระพุทธศาสนา จึงสอนให้พยายามหลีกเลี่ยงความชั่วและพยายามประพฤติคุณงามความดีเท่าที่จะมีโอกาสกระทำได้โดยไม่มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆไป